ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหามิตรลายสีปฐุกมกำลังนำเสนเอสติปัฏฐานสูตรวันนี้จะเสนเอในประเด็นที่เรียกว่าโพชังขปะภะคือหมวดหรือพวกที่วาดเว้โพชงเจ็ดประการ ปุถุพจน์นั้นแปลว่าองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัสรู้ธรรมตามเสษ ร, รอยอยุคนบาทของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยอมทังองค์ธรรมหลักในหประการอเจ7ประการยกันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในเจประการนั้นก็คือเป็นเรื่องสมาธิสิกขากับปัญญาสิกขาหรือจิตตสิกขากับปัญญาสิกขา เวลาเรียงนั้นก็เรียงที่สติสัมโพชฌงค์เปรวงค์ธรรมที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตัทรู้ธรรมคือสติ 2. ธ, ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องธรรมที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตัทะรู้ธรรมคือธรรมวิจัยสติก็คือสัมมาสติธรรมวิจัยก็คือสมาธิฏิก็สัมมาสังกปะ ก็คือปัญญาสิกขานั่นเองประการที่สามคือวิริยะสัมโพชงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตัสรู้ธรรมตามสเสด็จรอยอยุคนบาทพระพุทธเจ้าคือวิรยิยะต่อไปนั้นเป็นปีติเป็นปัสสธิเป็นสมาชิเป็นอุเบขาสี่ข้อเป็นผลระดับฌาน แต่ว่าก็เหนือชาญนะฮะคือสูงกว่าชาญแต่ว่าก็เป็นเรื่องของชาญคือผ่านชาญไปก่อนแล้วแต่ว่าไปอยู่ระดับที่สูงกว่าชาญประนีกว่าชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคอุเบกขาปีตินั่นเป็นความเอือบอิ่มใจเป็นความสุขใจมีอาการปรากฏแก่กายและแก่จิต ตามประสบการณ์ของบุคคลที่เจริญกรรมฐานแต่สรุปแล้วก็คือเป็นอาการดีๆแต่ว่าปีตินั้นทำให้จิตมันฟูขึ้นแล้วก็พล่านไปแล่นไปสายไปในอารมณ์ต่างๆมีขนฟูมีเต้นยุบยิ บ, ย บ, ยบมีอาการตัวลอยตัวพองอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ตัวลอยขึ้นไปได้จริงๆ ก็แล้วแต่วาสนาบา ร, รมีของท่านเหล่านั้นที่ได้สร้างสมบุมบรมบารมีมาอาการก็สรุปว่าออกอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าไม่ถึงก็เหมือนกันโดยประการท้งปวงหรอกมันมีความยิ่งความหย่อนกันอยู่ในผลของการประพฤติปฏิบัติจากนั้นจะสงบก็เรียกว่าปัจสติคือ กายสงบวาจาสงบใจสงบพอสงบมันก็เดินไปจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นสมาธิสมาธิที่ประนีดขึ้นประนีดขึ้นประนีดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็ยังเหลือแต่อุเบขากับสมาธิเบขาก็สูงนะฮะอุเบชานี่สูงเพราะว่าเป็นปัญญาที่เกิดภายในฌาน ในลักษณะของโครงสร้างการสอนสอนแนวแนวตรงกันข้ามกับแนวของนิวรณ์เพราะว่านิวรณ์เป็นอกุศลแต่ว่านี้เป็นกุศลไดรับสั่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจตภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจดอย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวีในนี้เมื่อสติมีอยู่หนาภายในก็รู้ว่าขณะนี้สติมีอยู่หนาภายในภายในจิตของเราเมื่อสติสัมโพชฌงไม่มีอยู่ในภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงไม่มีอยู่ภายในจิตของเราตัวสองประการนะหมายความว่า ถ้ากุศลธรรมคือสมาสติปรากฏอยู่ภายในใจก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นสติสัมโพชฌงจงดำรงอยู่ภายในจิตใจของท่านหน้าที่ก็คือพยายามประคับประคองรักษาสติให้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทีนี้ถ้ากว่าไม่มีก็ต้องรู้ว่า ไม่มีก็ต้องมีอย่างอื่นน่ะเพราะว่าจิตมันต้องมีเจตสิกข้าปรุงถ้าเป็นอกุศลก็ต้องขจัดออกไปถ้าเป็นกุศลก็ต้องประคับประคองไว้เพียงแต่ว่าเป็นข้อใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าแนวเดียวกับอายตนะแนวเดียวกับเรื่องของนิวรณ์องค์ธรรมไม่ได้ผุดขึ้นในทํานองเดียวกับที่เขียนไว้ในหนังสือหรือว่า ส่วนสาทยายกันแต่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ช่างเขาแหละแต่ว่าให้เป็นกุศลเกิดก็แล้วกันแล้วก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้จิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงมา ก, กิขึ้นไปโดยลำดับทีนี้ถ้า กุศลธรรมก็ อ, อื่นอยู่ก็ประคองไว้นะฮะคือประคองเดียวเป็นเช่นเช่นเช่นเดียวกันคือประคองประคับประคอง ร, รักษาองค์ธรรมที่เป็นกุศลเหล่านั้นเอาไว้ทีนี้ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงไม่มีหน้าภายในจิตของเราอันหนึ่งสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้น การเกิดของสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันก็เกิดตามโครงสร้างของสติปัฏฐานาสีพระสติสัมโพชฌงค์ที่จริงก็คืออันเดียวกับสติปัฏฐานสีก็คือสัมมาสติในองค์มรรคนั่นเองในการเกิดขึ้นของโพชฌงค์ก็คือการตั้งสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะเลึกรู้อยู่ที่จิตหรือตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่จิต จนจิตมีความช่องแคล่วชำนี้ชํานาญดํารงมั่นคงอยู่ในกายในเวลานั้นก็แล้วแต่จะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตหรือเป็นธรรมก็าตามสรุปว่าเกิดขึ้นจากสติปัฏฐานสี่ส่วนจะตนัดที่กายถนัดที่เวทนาถนัดถนัดจิตจิตถนัดที่ธรรมก็เป็นเรื่องเฉพาะท่านผู้นั้น บารมีในอดีตของคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเราก็หาข้อยุติสรุปรวมว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกทางนี้ขึ้นอยู่กับบารมีธรรมที่ท่านได้สร้างสมอบรณมกันมาในอดีตว่าท่านสร้างสมบรอบรมบารมีกันมาไว้ยอย่างไรแล้วก็องค์ธรรมเหล่านั้นก็จะปรากฏ คือสติจะปรากฏโดดเด่นขึ้นในในองค์ของธรรมะที่เกิดขึ้นได้ภายในจิตในเวลารวดเร็วสมท่านผูดนั้นทีนี้เมื่อสติสัมพุจงเขาเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วทำยังไงจะให้เจริญจนถึงมีความสมบูรณ์ก็รู้ชัดโดยประการนั้นนี่ก็เป็นข้อแรก แต่รกระดุบข้อเดียวก็ไม่ใช่เล่นแล้วเียวจะเริญสตินะครับจริญสติก็คือทาสติให้เป็นที่ตั้งของจิตให้ราลึกรู้อยู่ที่ที่กายที่เวทนาที่จิตแล้วก็ที่ธรรมก็อะไรข้อหนึ่งตามที่ก็เรียกว่าสัพพายะคือธรรมสัปปายะสมัครา น, นู้นัน การตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ธรรมะข้อนั้นเป็นที่สบายแกท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นก็จะตั้งสติอยู่กับธรรมเหล่านั้นมาประการต่อไปภิกษุในธรรมในนี้เมื่อธรรมวิจยสัโพชงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จะสรุธรรมคือธรรมวิจยะ แตแก่การวิจัยทําการสอดส่องรมยกตัวอย่างเช่นพิจารณาถึงใตหลักพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารคืออะไรสังขารคือทั้งที่มีวิญญาณครองทั้งที่ไมีไม่มีวิญญาณครองทั้งที่เป็นนามทั้งที่เป็นรูป ก็ยกขึ้นเป็นบทพิจารณาได้ด้วยกันเท่านั้นทีนี้เมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเพราะก็คือหนึ่งมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทียิบไปเลย จนออกก็จริงบางทีตอนต้นๆเ น, น, นี่ยเราก็ดูไม่ทันหรอกมันเกิดดับเร็วที่ต่อเนื่องใกล้ๆกันแสบไฟที่มันเกิดดับเนี่ยเราจ ะ, ะบอกว่าพอเอาก็จริงมันก็ต่อเนื่องต่อเนื่องเราก็ดูไม่ทันดูจนเห็นเป็นความเกิดดับ พราะความเกิดดับอย่าลืมว่าทำให้เรามองในส่วนห น, นึ่งเนี่เกิดดับตามไปหมดเพราะอะไรเพราะท่านใช้คำามาสังขารสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เป็นคนมีชีวิตเราก็เรียกว่าเกิดแก่ตายถ้าไม่มีชีวิตก็เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ประการที่สองก็คือว่าการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นมันเลื่อนไหลไม่คงที่แบบกระแสน้ำกระแสนลมกระแสไฟดูเราตอนนี้เรามีไฟฟ้ากันอยู่เนี่ยดูที่หลอดไฟฟ้ากระดับเป็นการเกินดับที่ทีบจนเอาก็จริงเราก็ดูไม่ออกมันเป็นแสงที่สเสมอกันอยู่ คำนองรกลๆกับคงที่แต่เราก็รู้คือถ้าไปดูที่มอแปลงเนี่ยเราก็เห็นการวิ่งของเครื่องวัดเนี่ยวิ่งเร็วมากๆก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าที่ปลายของไฟเนี่ยมันมีการเกิดดับเกิดดับก็ต้องทยอยเข้าไปหนุน การต้นก็ต้องวิ่งเข้าไปหนุนเพื่อให้แสงไฟเนี่ยมันสม่ําเสมอไม่เต้นยุบยิบจุบยิบจุบยิบยุบก็ดูเป็นแสงเดียวกันแล้วก็เป็นการดํารงอยู่เพียงชั่วคราวคราวเนี่ยมันสั้นอมากมากๆไม่รู้ว่าสั้นยังไงแหละแต่ว่าครั้นอมากมากๆสั้นจนดูไม่ทันก็แล้วกันแล้วก็ตรงกันข้ามกับความเที่ยง ทีนี้การยกมาพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆอพิจารณาไปเรื่อยๆจนเห็นด้วยใจคือใจมันเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งเหล่านั้นเจาประเด็นหดก็ดามประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปประเด็นที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงประเด็นที่ดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะ หรือประเด็นที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องสิ่งที่เที่ยงแท้ทวรอกว่าจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่อย่างแท้จริงหรืออยู่อย่างสมมตินะได้แต่มีอยู่อย่างแท้จริงนี่ไม่ได้หรือว่ายกสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นเป็นทุกข์นีน่อย่างไรเรียกว่าสังขารเป็นทุกข์ หนึ่งก็เพราะเกิดขึ้นมาจากเหตปัจจัยแต่ละยาไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยล้วนๆหรือโดยลำพังเราหยิบสองขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันของผสมทั้งนั้นผสมปนกันมากมายกายกองมันก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่มีสังขารที่เป็นสุขมีแต่สังขารที่เป็นทุกข ก็เกิดทุกข์มันก็เกิดเบื่อหน่ายอย่างที่ทรงแสดงไว้ให้เป็นบทสดวดบรรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจจังตังดุขงังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์อย่างดุขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดานัตตาตังเนตังมะมะเนโซอมัสมินมะเมโซเมอาตตารูปใดใช่ตัวใช่ตน รูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวเชตุนของเรานี้ท่านยกมาพิจารณาดวดเดียวทั้งตัวรักหรือทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาแล้วก็ยกข้ออื่นขึ้นมาพิจารณาต่อไปเอาที่ขันห้านะยกตัวอย่างขันห้าก็ได้ครันเป็นบทสวดตั้งหลับตาสวดหรือว่านอนภาวนาสวดก็ได้ ถ้าว่าร่างกายไม่พร้อมก็อาจจะนอนภาวนาสวดไปได้เด็กเวทนานิจาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจังต่างดุขังเวทนาใดไม่เที่ยงเวทนานั้นเป็นทุกอย่างดุขังตังอนาตายาดุข่าตานาตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นใช้ตัวใช่ตนยาดานาตาตังเนตังมามัเนโซมัสสมินาเมะโซเมยตา สิ่งใดใช่ตัวใช่ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัญญายากาจีสัญญาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขายาทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัญญาใดไม่เที่ยงสัญญานั้นก็เป็นทุกสัญญาใดที่เป็นทุกสัญญานั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตน สัญญาใดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัญญานั้นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไ ม, รไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแล้วก็ไปที่สังขารก็ยกขึ้นพิจารณาโดยทานองเดียวกันนี่ก็เป็นแนวของการพิจารณาก็หมายความว่าต่างคนต่างพิจารณาจะนั่งกรรมาฐานใกล้ๆกันนี่ก็ต่างคนต่างคิดอะตามจิตที่ถนัดหรือตามสิ่งที่จิตเห็นในขณะนั้นๆที่เราถนัดไม่เหมือนกัน เองก like ็ไม่เหมือนกันพนก็มีหน้าที่ในการพิจารณาเป็นประการสำกันจนถึงอนัตตาเนี่สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นใช้ตัวใช้ตนสิ่งใดใช้ตัวใช้ตนสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเวทนา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 ชีวิตกับความตายเนี่ยแม่มันกลายกันจังเรานั่งหายนั่งนงหายใจอยู่เนี่ยความตายจะปรากฏเมื่อไหรเราก็ไม่รู้แต่ว่าความตายนั้นปรากฏแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นเองเร า, า จ, จะตายในระยะบทใดระยาบทหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราตายแน่นั้นแสดงให้เห็นถึงกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลาย ทีนี้บางทีก็อาจจะพิจารณาพิจารณาไปตามในยะเช่นยกตัวอย่างว่าพิจารณาพระสูตรอย่างเนี้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าแสดงไว้ในอนัตตะกนังสูตรว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน จักขู่คือในตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักขู่อวิญญาณอาศัยจักสุเป็นของร้อนถามว่าก็ไปเรื่อยๆไปนะฮะสัมผัสอาศัยจักสุเป็นของร้อนก็เรื่อยๆไปเวทนาอาศัยจักสุเป็นของร้อนถามมาร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะร้อนเพราะโทสะร้อนเพราะโมหะ ร้อนเพราะความเกิดร้อนเพราะความแก่ร้อนเพราะความเจ็บร้อนเพราะความตายร้อนเพราะความสศกร้อนเพราะความร่าไรลําพันร้อนเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจเพราะความขับแค้นใจเป็นต้นอย่างนี้เราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนแล้วก็ส่งแสดงไปตามลําดับทุกข้อของอายตนาเนี่ทุกข้อไปเรื่อยๆสรุปสุดท้ายว่านี้เรากล่าวว่าเป็นของร้อน เราก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละประเด็นเพื่อให้เห็นตามที่ส่งแสดงเป็นการเห็นด้วยจิตนะแล้วก็กิเลสมันจางคลายบรรเทาลดละจางคลายลงไปไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายอีกต่อไปอย่างน้อยในขณะนั้นๆจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายไป ทีน่นี้ธรรมวิจยะเนี่ยมันเป็นปัญญาสิกขาเมื่อเป็นปัญญาสิกขาในองค์มา ก, ก็ประกอบด้วยสมาธิสัมมาสังกัปปะซึ่งสมาธิสัมมาสังกัปปะนั้นจะทรงแสดงต่อไปในส่วนของมัคคับปะคือมรรคปีองแปดประการ แสดงก้อนข้างพิศดาลเราค่อยพูดกันในช่วงโน้นดีกว่าประการต่อไปก็คืออีกอย่างหนึ่งเมื่อวิริยะสัมโพชฌงมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ว่าขณะ น, นี้วิริยะสัมโพชงมีอยู่ภายในจิตของเราถ้าวิริยะสัมโพชฌงไม่มีอยู่ภายในจิตก็รู้ว่าขณะนี้ วิริยาสัมโพชงไม่มีอยู่ภายในจิตของเราการไม่มีอยู่ก็ต้องมีสังขารข้ออื่นครับรุงแรงเมื่อเราจะเริยนกุศลส่วนใหญ่ก็เป็นกุศลนะแต่ว่าเอาข้อจริงมันก็ไม่แน่หรอกมันก็แวบไปแวบมาตามธรรมดาของจิตที่มันดิน้นกวัดแกว้งสายไปในอารมณ์ต่างๆหาข้อยุติไดย้ยาก วิริยสัมโพชงที่จริงก็คืออริยมรรคข้อสัมมาวายามะอันนี้ที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยคือสติสัมโพชงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติได้บรรลุธรรมก็คือสติเกิดสติก็คือสมมสสติได้แก่การใช้ความเพียรสัมปัญญสติ ลึกรู้ที่กายที่เวทนาจิตธรรมจิตแล้วก็ทมในชั้นแรกก็ทำให้จิตสงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นพอถึงจุดหนึ่งจิตสงบแล้วก็เริ่มใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในจิตจนกิเลสประเภทต่างๆได้จางไปคลายไปบรรเทาไปสงบลง เราเป็นสุขเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นกฤษฎสุปว่าเป็นอริยมรรคกุศลธรรมอะไรก็ตามพอเราเริ่มแสดงเราก็จะเห็นว่าก็เข้าสู่อริยมรรคักกนั้นนอกจากกุศลธรรมส่วนผลถ้าเป็นส่วนผลก็อยู่ในนิโรธสัตถ้าเป็นส่วนเหตุก็อยู่ในมรรคสัตววิทยาสัมปพชง องคธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมคือวิริยะวิริยะแปลว่ากล้าหาญคือเป็นความเพียรที่เป็นไปตั้งทางกายและเป็นไปทางจิตจําแนกออกเป็นสประการคือสังวรประทานเพียรระวังไม่บาปอากุศลเกิดขึ้นภายในจิตสันดานปานประทานเพียรละบาปละอกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสิ้นไป ภาวนาประทานเปลี่ยนให้กุศลที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วอนุรักษนาประทานเปลี่ยนรักษากุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วมาให้เสื่อมนี่ก็เป็นหลักเป็นหลักที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นวิริยะนี่ตัวใหญ่นะแต่เราจะเห็นว่าตรงนี้ตัวหลักคือ อาตาปีหรือความเพียรที่เผากิเลนให้ร้อนก็ดีสำปรจัญญาความรู้ตัวทั่วพร้อมก็ดีสติจิตมีสติกำกับควบคุมอยู่ในขณะนั้นนั้นก็ดีก็เป็นอาเดีย ม, มัคมีองแปดประการ สติคือสัมมาสติธรรมะวิจยะข้อแรกก็คือสมาทิทฐิข้อที่สองก็คือสัมมาอาจะข้อที่สองะเรียกรวมกันก็คือสัมมาสังกัปปะตรอมาข้อที่สามก็เป็นสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบพูดง่ายๆว่า เพียรพยายามป้องกันบาปขาจัดบาปเจริญกุศลและก็รักษากุศลหมายความว่ากุศลนั้นมีสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่เกิดที่เกิดแล้วก็พยายามขาจัดออกไปทวนกุศลก็มีสองฝ่ายที่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดก็พยายามให้เกิดนะพยายามให้เกิด ไม่ใช่พยายามไม่ให้เกิดพยายามให้เกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้ก็พูดง่ายๆตามโครงสร้างของการบริหารองค์กรต่างๆ ต, ตั้งแต่ตัวคนตั้งแต่จิตใจตั้งแต่กายวาจาเราไปจนถึงประเทศชาติองค์กรโลกสมาคมโลกอะไร อ, อะไรก็ตามมันมีเรื่องใหญ่อยู่ก็คือหนึ่งป้องกันสองก็คือบำบัด 3ก็คือบำรุงสก็คือรักษามีหน้าที่หลักจดส4ประการอย่างเงี้ยป้องกันบำบัดบำรุงรักษาแต่ในภาคของการปฏิบัติจริงๆให้ลองสังเกตว่าบางทีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วอันนี้ก็คือละบาปบำเพ็ญบุญ สอนแบบละบาปบาเพ็ญบุญผู้ปฏิบัติต้องรู้โดยในทีว่าในการละบาปนะคือป้องกันบาปด้วยแล้วก็ละบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วด้วยในการบำเพ็ญบุญนั้นคือบำเพ็ญบุญด้วยแล้วก็รักษาบุญที่บังเกิดขึ้นแล้วด้วยพัฒนาจิตไปจนถึงจิตมีความผ่องแพ้ว ก็เรียกว่าสจิตตประโยชน์ปะนังคือจิตขาวขาวบริสุทธิ์หมดจดุดไม่เจือปนด้วยสัพเพกิเลส ท, ที่จะมีชื่ อ, อยังไงก็ตามกิเลสเหล่า น, นั้นก็จะถุกขจัดออกไปจนหมดสิ้นก็เป็นผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้บางครั้งนี่ทรงใช้คำว่าปะหารภาวนา ปานาก็ค pues ือละชั่วทั้งที่ยังไม่เกิดทั้งที่เกิดแล้วภาวนาก็คือทําความดีทั้งที่ยังไม่เกิดแล้วก็ทั้งที่เกิดแล้วหมายความมันยังไม่เกิดก็พยายามสร้างที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้ทําให้ปริมาณความชั่วนี่ลดทั้งสองทางคือส่วนที่ยังไม่เกิดก็ต้องลดลงไปส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องลดลงไป ความดีก็เพิ่มขึ้นทั้งสองทางส่วนที่เกิดแล้วส่วนที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ส่วนที่ยังไม่เกิดก็พยายามให้เกิดขึ้นส่วนนี้เกิดแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้ปริมาณความดีทั้งที่ไม่เกิดมันก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นที่เกิดแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น นี้บางทีอย่างที่ทรงแสดงในรูปของอริยมรรคเนี่ยอริยมรรคในครบชุดคือในสัมาวิมารนี่ส่งแสดงครบชุดคือหมายความว่าความชั่วที่ยังไม่เกิดป้องกันความชั่วที่เกิดแล้วบำบัดความดีที่ยังไม่เกิดพัฒนาคือพยายามสร้างขึ้นความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาอันนี้เรียกเต็มสูตร แสดงเต็มชุดทีนี้บางทีนี่ไม่ไม่ต้องอย่างงั้นหรอกพูดทำดีอย่างเดียวพูดทำดีอย่างเดียวคล้ายๆเรารับประทานอาหารเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องเหตุที่หิวไม่ต้องพูดเรื่องความหิวไม่ต้องพูดเรื่องความอิม่มเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงการที่จะให้อาหารในดารงอยู่ในท้องทำหน้าที่กินอาหารไปเท่า น, นั้นเองทำหน้าที่รับประทานอาหารไ ป, ไปเรื่อย แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะทำหน้าที่ป้องกันความหิวเก่าความหิวใหม่ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นความหิวเก่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องลดลงนะฮะเพราะว่าอาหารมันเพิ่มขึ้นอาหารใหม่ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้น นี่เรียกว่าพูดภาวนาคําเดียวทําดีและชั่วละชั่วทําดีอันนี้ก็สองอย่างแต่ว่าอย่างที่ทรงแสดงโดยประการต่างๆเช่นเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้สมบูรณ์นี่ภาวนาอย่างเดียวหมายความมาสร้างความดีอย่างอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องพูดผลออกมาในลักษณะเดียวกัน จะพูดแบบสี่เต็มรูปจะพูดแบบสามหรือจะพูดแบบสองหรือจะพูดแบบหนึ่งเหมือนกันผลจะออกมาในลักษณะอย่างเดียวกันประการต่อไปก็คือปีติสัมโพธสรงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมคือปีติปีติเป็นความเมื้อปีมใจเช่นว่า กนิกปิติปิติอยู่ชั่วขณะปรณาปิติทราบสั้นแผร่ไปในทั่วสารพางกายต่างทางทางกายทางจิตของคนแล้วก็โอกันติกาปิติปิติที่น้อมเข้ามาหาอุเพงกาปิติปิติที่มันโลดผลโลดผลบางทีก็ตัวลอยไอะไรต่างๆได้เนี่ยนี่ก็เป็นพวกอาการของปิติ ก็ระดับหนึ่งก็เป็นองค์ฌานเป็นองคฌานที่เกิดขึ้นแล้วทำหน้าที่สงบความพยาบาทที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทีนี้จิตเมื่อมันสามารถสงบพยาบาทได้ก็จะกลายเป็นจิตที่มีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นมั่นคงสูงส่งขึ้นไปโดยลําดับ ประการต่อไปก็คือปัจสัติปัสัินั่นก็คือจิตที่สงบจากอำนาจอากุศลทั้งหลายปีตินั้นเขาก็เป็นกุศลนั่นแหละแต่ว่าบางทีเขาก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเพราะว่าใจมันฟูคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเราดีใจอะ แคร์แคกรดีใจบางทีก็พูดด่าพูดไม่ถูกน้ำหมูหน้ำตาไหลนั่นก็แสดงว่าเป็นอาการของปีติเ อ, อิบอิ่มใจจนทำอะไรไม่ถูกทีเดียวหรือเห็นสุนัขที่วัดเนี่ยสุนัขตัวเล็ ก, ลกๆ ก, ก็ก็ไม่โตเท่าไหร่หรอกแต่ไม่ถึงก็เล็กเท่าไหร่เหมือนกันชื่อไว้ถั่ว ง, งอกพระเขาเลี้ยงไว้ไมีโยมที่มาฟังเทศมามวันเสาร์เนี่ย ทุกวันเนี่ยเขาจะมีอาหารอาหารสุนัขอะอาหารที่เขาทาเป็นชิ้นเขาปิ้งอะไรเนี่ยปิ้งย่างเป็นชิ้นมาเนี่ยราใส่เป็นถุงมาไอสุนัขตัวนี้มันฉลาดอะบางวันเนี่ยมันไปรอคอยอยู่ข้างนอกรอคอยอยู่ที่ประตูวัดรอคอยอยู่ข้างนอกบางวันก็ไปรอคอยอยู่ที่บันไดตอนที่เทศเสร็จ ราคอยแล้วพอเห็นสองคนนั่นมาทานเองมาแกกระดิ่ ง, ง, ง, งชื่นชมไม่รู้จะทำตัวยังไงยังแกนะ่ะคือตัวนี่สั่นหมดเลยเดี๋ยกดใจจำได้รู้วันที่คนให้อาหารมันจะมาเพราะเข้ามาวันเสาร์วันเดียวนะวันหึกเขาไม่ได้มา สุนัขเขารู้วันรู้เวลารู้สถานที่ที่จะไปต้อนรับที่ไหนจึงจะได้อาหารมารับประทานแต่เวลาเขาให้อาหารเนี่ยก็ฉลาดนะพอแกกินอิ่มแล้วเนี่ยแกเริ่มรับแล้วคาบแล้วเอาไปซ่อนคาไปแล้วก็วิ่งไปซ่อนไปซ่อนพอตกตอนเย็นจึงไปเอามากินต่อไปอย่างนึกว่าเออเนี่ยมันเป็นอาการอย่างหนึ่งของปีติอย่างที่เราได้เนี่ย ปิติว่าจะได้อาหารมีคนมาให้อาหารแล้วเลยก็ดีอกดีใจด้วยประการต่างๆก็เต้นร้องยิงิ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งตัวสันนะฮะตัวสันในะอินดูแต่ว่าปิติที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติเนี่ยมันกิเลสมันลดอันนี้กิเลสมันเพิ่มนะฮะกิเลสมันเ พ, มเพิ่มเพราะมันอยากจะได้กิน อยากจะได้กินถ้าเกิดไม่ได้กินก็คงผิดหวังแต่ว่าเจ้าของเขาก็ไม่เคยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยประการต่อไปก็คืออีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าขณะ น, นี้สมาธิสัมโพชฌงมีอยู่ภายในจิตของเราหากว่า สมาธิสัมโพชฌงค์ไม่มีอยู่ภายในจิตของเราก็รู้ว่าขณะนี้สมาธิไม่มีอยู่ภายในจิตของเราก็รู้ทั้งสองอย่างทีงนี้ในกรณีที่ไม่มีเนี่ยมันก็ต้องมีข้ออื่นตัางติกลระแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นกุศลธรรมถ้าเป็นอกุศลธรรมก็ต้องขจั ด, ดออกไปคือมีมีมีสองอย่างหมายความมัถ้ากุศลธรรมก็ต้องประคับประคองรักษาไว้ ธรรมจิตมันฟูขึ้นธรรมจิตมันกล้าหาญธรรมจิตบากบันธรรมจิตมุ่งมัน่นธรรมจิตก้าวไปสู่ความสงบที่ประนีตมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแต่ทีนี้ถ้าหากเป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นคือในขณะที่ปฏิบัติอย่างนี้มันก็แทรกกันไปแทรกกันมาธรรมะเกิดบ้างกิเลสเกิดบ้างก็ชักระเยอะกันไป วันใดที่เราได้เหตุปัจจัยให้จิตมันสงบได้ง่ายจิตมันก็สงบได้ง่ายวันใดที่เราได้เหตุปัจจัยที่ทําให้จิตมันไม่ค่อยสงบก็คือมันมีปัญหาที่ค้างที่เก็บสะต๊อกเอาไว้ไายในใจนี่เยอะแล้วก็จะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยจิตใจมันไม่สงบจิตใจมันไม่นิ่งแต่ก็สรุปแล้วว่าก็พยายามที่จะ ขจัดบรรเทาให้เบาบางลงไปสมาธิเป็นอาการของจิต ท, ที่สงบตัวหลักจริงๆเนี่ยเขาสงบกามฉันแต่กามฉันสงบอย่างอื่นเขาก็สงบนะคือหมายความว่ากามฉันเนี่ยเป็นกิเลสประเภทวิ่งแรงแสงข้างหน้านะฮะมันวิ่งไปแรงแสงข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์โลกระดับกามาวาจรภูมิความคิดเป็นนั้นมาสมมุติเราตั้งเวลาตั้งเวลาเอาไว้ลองตั้งเวลาดูแล้วก็ดูจิตเราไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเวลาไปเรื่อยๆก็ดูว่ามันปฏิสังยุทธด้วยกาเนี่ยสักกี่นาทีแล้วก็จดไว้ ตฏิสังขยุด้วยอะไรสักกี่นาทีแล้วก็จดไว้จดไว้จดไว้จดไว้จดไว้ให้ครบชั่วโมงให้ครบสองชั่วโมงเนี่ยโดยจะเห็นเลยว่าจิตมันจะแล่นไปสู่เกี่ยวกับเรื่องกามนี่มากอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นวลอยากเห็นรูปสวยอยากฟังเสียงไพเราะ อ, อยากดมกลิ่นหอมๆ อ, อยากสัมผัสเ อ, อย็นร้อนอ่อนแข็งที่นิ่มนวล อยากเหนียวนึกตึกนึกตึงอารมณ์ที่น่าใคร่ยน่าปรารถนาน้าพอใ จ, ใจใจมันก็วิ่งกันไปอย่างนั้นนเพราะงั้นสมาธิเมื่อเกิดขึ้นมันก็เป็นองค์ฌานในรูปฌานสี่นี่ยท่านเรียกว่าเอกคตาคือจิตตั้งมั่นเป็นอันเดียวจิตตั้งมั่นอยู่เป็นอันเดียวอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดระลึกในขณะนั้นนั่น แต่ทีนี้พอมาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกอุเบกขากับเอกกตาหมายความว่าจิตมันจะสงบแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นอุเบกขากับเป็นเอกกตาอุเบกขาที่เน้นมากในที่นี้ก็คืออุเบกขาเขาเรียกว่าฉลังอุเบกขา เป็นอุเบกขาในองฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในอารมณ์ทั้งหลายเราลองนึกดูว่าถ้าเราเห็นรูปสวยๆฟังเสียงไพเราะได้กลิ่นหอมๆได้รสอร่อยๆได้สัมผัสที่น่าจะต้องแล้วก็จิตสงบนิ่งโอ้โหยอดมากจะเรียกว่าจิตใจยอดเยี่ยมมากๆ ดังนั้นหลักการปฏิบัติในโพชงเจ็ดประการนั้นที่จริงก็เจริญจิตสิกขากับปัญญาสิกขานั่นเองเพราะว่าพอมาถึงอุเบกขาก็เป็นองชาต์แต่ว่ามันเหนือองชาต์นะฮะประนีตกว่าองชาตไปสมาธิก็ที่จริงก็ประนีตเหนือองชาตขึ้นไปเพราะอย่าลืมว่าในสมาธไม่ใช่ในองชาตเนี่ยมันมี อาการของศียงกับสมาธินี่เด่นแต่ว่าในโพชฌงเนี่ไม่ใช่เป็นอาการของสมาธิกับปัญญาเขาเด่นเพรเมื่อปัญญาเด่นเนี่ยกิเลสที่ตรงกันข้ามกับปัญญาก็ต้องสงบสงบลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับจากนั้นก็ทรงแสดงว่าอีกอย่างหนึง่งเมื่อเบขาสัมโพชรงมีอยู่ในาภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าเบขาสัมโพชงมีอยู่หนภ า, ายในจิตของเราเมื่อเบขาสัมโพชงไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าเบขาสัมโพชงไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอนึ่งเบขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้ชัดโดยประการนั้น อุเบขาสัมโพชฌงค์มันก็ต้องมาจากโน้นเนี่ยนะฮะมาจากอินทรีสังวรคือสำรวมระวังอินทรีเวลาสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยอารมณ์จะดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็ทำใจวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอารมณ์เหล่านั้นสวยก็เฉยๆซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายอ่ะ ที่ระพุทธเจ้าสอนพิจารณาอย่างลองสังเกตว่าเวลาพระอะไรจากภาบางสกุลศกอ น, นิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงนองอุปดบยธรรมโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปะสมุสุขโข การทำจิตให้สงบระงับในสังขารทั้งหลายที่ได้เนี่ยเป็นความสุขเห็นรูปศพเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกขยะแขยงหรืออาจจะกลัวหรืออาจจะรังเกียจแต่ว่าไอ้จะคิดไปในทางกำนัดเนี่ยคงยากนะคงยากหน่อยเพราะว่ามันตรงๆงมันชัดเจนมากๆ แต่ว่พ ส, สมัยนี้ก็น่าดูเหมือนกันเพราะว่ามีการปรุงแปงกันเป็นอย่างดีเพราะอารมณ์ที่มันใกล้ต่อการเกิดกิเลสเนี่ยมันจึงเยอะเลยเราสามารถจะพบเห็นอารมณ์เหล่า น, นี้ในที่ต่างๆได้เป็นอันมากดังนั้นจึงทัาน้จึงสอนให้พยายามพิจารณาจนในที่สุดมองเป็นสากลนะ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 เป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบ้างพิจารณาเห็น ท, ทั้งทั้งธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นทั้งธรรมอันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบ้างอยู่หรือว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมอยู่ก็เพียงสักว่าอาศัยเพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัรหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ยึดมั่นถรือมั่นอะไรในโลกพิสูจทั้งหลายแม้อย่างนี้พิสูจชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือผู้ชงเจ็ดประการอยู่ต้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี